มีแต่ใจไปรู้แต่บารู้ใจนั้นหลักการอันนี้ให้พากันสร้างคทถาฉันทะลงไปทําสม่ําเสมอให้พากันเชื่อกรรมเชื่อการกระทําเราทําอยู่แล้วประกอบอยู่เราสร้างดู่มันก็ต้องมีต้องเป็นขึ้นไปตามลําดับของมันเองเราต้องมไม่ต้องไปห่วงเออเมื่อ น, นั่นจะมันมันจะเป็นเมื่อนี่มันจะเป็ น, น, ปนหรือมันจะไม่เป็นไม่ต้องไปนึกทำไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ประกอบไปเรื่อยๆครับเมื่อมันถึงมันพอมันเต็มแล้วมันก็เป็นเองมันก็มีมันก็เกิดขึ้นมาเองมันเพราะเราทํามันเป็นฝ่ายเหตุที่เรากําลังสร้างกำลังทำเป็นเหตุไม่ใช่ผลเมื่อเราสร้างอยู่ทาอยู่เดี๋ยวก็ผลเมื่อกดมันก็เกิดขึ้นเองนี่คือหลักการภาวนาที่อาจารย์พาทำพับกอบ งานทุกคนให้ประกันปลูกศรัทธาอย่าให้ขี้เกียจมีจิตมีหน้าที่มีคติการในตัวเองบังคับตัวเองให้ทําแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์โอเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีการวิธีปฏิบัติเนีง่งประโยชน์อย่างยิ่งด้วยแล้วก็ยิงเป็นโชคลาภของตัวเองทำไมได้ทำอย่างนี้โอ ทำไมเกิดเป็นมนุษย์เขาเกิดเป็นมนุษย์เยอะแยะไปแต่เขามาได้บำเพ็ญภาวนามีเยอะแยะอีกทีนี้ผู้ภาวานาก็ภาวานาอบูุกศรัทธาบรักษาศรัทธาตัวเองให้มันคงจมนก็ถอยภาวนานเอาจิตจะเอาผลเราต้องเปรียบเทียบว่าเออเขาสร้างสวนลำใหญ่สวนเณนจี ขณะกําลังสร้างกําลังทํามันเป็นการสร้างสวนเล้นจีไม่ใช่คนเป็นไม่ใช่มีสวนเล้นจีแล้วเมื่อสร้างแล้วทําแล้วแล้วนานเข้ามันก็เป็นมีสวนเล้นจีขณะที่สร้างทําก็ต้องรักษาเขาต้องบำรุงอยู่อย่างนั้น่ะเพื่อให้มันเกิดผลปีปลายก็ให้อําญาตภาวนาดีนะ กำหนดลมหายใจดังที่ใครเคยสอนนั่นแหละเป็นขันข้นๆไปหายใจพุทโทพุทโทเอาจนใจอยู่แล้วจึงจะปล่อยวางรักษาใจอย่างเดียวถึงทั้งแรเดี๋ยวผูกมันมัดบังคับหอผูกคอ ม, มันไปได้ใจไว้กับลมหายใจเขาหายใจพุทโทพุทพโทเข้าไปไว้ลุกพุทธยาว ปุตมันก็จะอยู่หรือใจมันก็จะอยู่กับอ น, นันตได้เมื่ออยู่อ น, นันต์ได้เราก็แต่งลมนะให้สบายสบายให้มันพอดีครั้งแรกหายใจแหงเอาแหงตลอดมันก็เหนื่อยงั้นแต่งให้มันอยู่แล้วก็เียนพยายามแต่งลมให้ใจอยู่กับลมดีกว่ามีลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องอยู่ก่อนคือหายใจแหงสบายในระหว่างหายใจสบายก็ต้องกําหนดรู เออนี่หายใจสบายไมสมมันเป็นเวทนาใจเป็นโพลับสบายไม่สบายอยู่อย่างนั้นแต่นี้ว่ากำหนดใจได้ดีแล้วแล้วก็รักษาจุดละเอียดเข้าไปทีนี้ทั้งแมมันหยาบเอาลมผูกไว้เอาใจผูกไว้ที่ลมพอจากนั้นผูกไว้เฉพาะรู้ ประคองจะให้รู้อยู่ในจุดรู้เองมันเจอเข้าไปเีงมั น, นก่อนมันจะไม่เน่าโดยเราไม่ต้องบังคับมันอีกต่อไปนห็นมันเข้าจุดตั้งถึงที่ตั้งจดจอนนี่งให่ใจหยุดทุกขนเมื่อเราประคองไว้ รักษาไว้ก็เรียกว่านิ่งได้ดีต่อจากนั้นยังอีกจุดนึงไม่ต้องยกไม่ต้องรอไม่ต้องบีบ บ, บังคับรู้อยู่ที่ไหนเข้าหารู้ที่นะความรู้สึกมันไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไปรู้อยู่ในจุดนั้นนี่เป็นเป็นฐานสุดท้ายไม่ว่ารู้อยู่ที่ใจและใจรู้ว่าทาได้แน่วแน่มั่นคงดี ยิงจะมากําหนดกายพินากายตามขั้นตอนที่อาจารย์ให้ไว้ทำอย่างนั้นสม่ําเสมอแล้วก็ประการสุดท้ายให้ทำสองอย่างคือกําหนดรู้กายพินากายกําหนดรู้ใจพินาใจสลับกันไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อมันเหนื่อยแล้วก็มารู้อยู่ที่ใจได้ไม่ต้องทํางานอะไรมีสติรู้อยู่ที่ใจ ตอนนี้กนทากันต่อไป